ผู้ศรัทําคนทำบาราทำบุญแบบไหนถึงจะได้อานิสงฆ์มากเขาพิเศษจังหนาอยู่แต่สัเรายังไหถึงจะบาก็เรื่องทําบุญกับผูทุชนนี่แหละพุทธเจ้าก็ให้ก็สอนให้ทําบุญทําบุญด้วยการละบาปนี่แหละละบาปละบาบห้าอย่าง รักษาศีลคือละบาปห้าอย่างละบาปห้าอย่างให้ได้ทำบุญด้วยการละบาปห้าอย่างได้แล้วก็ทำทานการบริจาคทานวัตถุทานอันนี้ก็เป็นพื้นฐาน ของการทำบุญคือทานะบารมีเนี่เสร็จแล้วก็ส่วนศีลบารมีนั่นก็ถ้าละบาปห้าอย่างได้ก็เป็นศีลอะทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการทำทานสงเคราะห์ปัจจัยส <c oughs> ี่ทำบุญด้วยการ ละบาปก็เป็นทําบุญด้วยศีลแล้วก็ทําบุญด้วยภาวนานี่แหละก็ว่ายผ้าสวดมนต์จเจริญภาวนาตั้งสติกําหนดระลึกพุทโธพุทโธให้มันได้ทําไปเรื่อยๆได้ห้านาทีสิบนาทีก็ทําไปเรื่อยๆมันหลายขั้งหลายหนมันก็จะต่อกันก็จะได้มากไปเรื่อย นี่แหละเป็นบุญของของพุทุชนทำให้ทำอย่างนี้แหละ